กลับมาพบกับท่านุฟังอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุครอบกลัวก่าซอตรอยเฟร้อยหกขปจพระมหาไยบุญญาพิปุนโนจากวัดป่า ด, ดอนไนโศเรื่องราวของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำจะมีส่วนที่เป็นพุทธพจน์ที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้แล้ว เป็นหน้าที่ที่ท่านได้กระทำละโดยความเป็นพุทธะได้แสดงสิ่งที่เป็นธรรมะเอาไว้บุคคลผู้ที่เป็นผู้ฟังคำสอนฟังคำสอนอยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือฟังพระธรรมแล้วเนี่ยแล้วเอามาทาเอามาปฏิบัติให้ดีอันนี้ก็เรียกว่าผู้ฟังคำสอนคือหมายถึงสาวกหน้าที่ของสาวกสำหรับ โรยเฉพาะเจดะจงมาที่ภิกษุก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าก็มาทำหน้าที่นี้แล้วก็ไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวต้านั้นที่ทำหน้าที่นี้แม้แต่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆเธนก็ได้ทามาเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะใดๆก็ตามเนี่เราแยกแยะให้ถูกว่าตรงไหนคือส่วนที่เป็นแม่บท ในคือส่วนที่เป็นคําอธิบายฟังแยกให้ชัดเจนเกิดความเข้าใจแล้วแต่ก็ต้องกลับมาที่ตัวหลักคือตัวแม่บทอันนี้ต้องออกไว้ก่อนถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูฟังคําอธิบายเพิ่มเติมได้วันนี้ที่ใจธรรมบุฟังฟังก็เป็นเรื่องทั้งสองส่วนนี่แหละเป็นคาาําคาถาเป็นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสต่อว้แล้วก็มีเรื่องราวประกอบแต่เรื่องราวตรงนี้ก็คือมาในส่วนที่เราเป็นนิทานธรรมบท ที่เป็นต บ, บทแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสอธิบาสั้นๆและพอดีจะอธิบายข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็มีการก็มีเรื่องราวที่มาประกอบกเรื่องราวนั้นก็เรียกว่าเป็นนิทานธรรมบทในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุทธที่การาบเจ้ามาพบกับธรรมูุฟังนี้ก็จะนําเรื่องราวแบบนี้แหละมาให้ฟังกันเป็นเรื่องราวของนิทานธรรมบทวันนี้เป็นเรื่องของพี่น้องสองคนชื่อจุลกาลกับ มหาการสองคนนี้เขาก็บวชบวชในคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละบวชเป็นพระคนหนึ่งอยู่ไม่ได้ต้องสึกไปอีกคนหนึ่งอยู่ได้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบถึงคุณธรรมของทั้งสองพี่น้องอันนี้เอาไว้เรามาฟังเรื่องราวของนายจุลการและนายมหาการกันตามบทแปลเรื่องจุลการและ มหาการภาคที่หนึ่งเรื่องที่หกพระศาสดาเมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยเสตัพญานกรประทับอยู่นะป่าไม้ประดู่ลายทรงบรารพีจุลกาลและมหาการตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุภานุปัสสิงวิหรันตังอินทรเยสุ สังวูตังโภชะนัมหิอมาตตัญญุงกุสีตังหีนวีริยังตังเวปะสะอติมาโรวาโตรุกขังวะทุพพลังอนุภาณุปัสิงวิหารตังอินทริเยสุสุสังวุตังโภชะนัมหิจะมัตตัญญุง สัทธังอารัตถวิริยังตังเวนปะสะหะติมาโรวาโตเสหลังวะปะพัพพะตังแปลว่าผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามอยู่ไม่สำรุมอินสี่ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะเกียดครกรันมีความเพียนเลวสามนั้นแลมันย่อมรังควานได้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรง ลมรังควานได้ฉะนั้นส่วนผู้ตามเห็นอารมว่าไม่งามอยู่สมรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายหรือประมาณในโภชนะมีศรัทธาและปรารบความเพียร น, นั่นแหลมันย่อมรังควานไม่ได้เรียบเหมือนภูเ่าหินลมรังควานไม่ได้ฉะนั้นความพิสดารว่ากุกุมพีคนหนึ่ง กุมพีคือคนมั่งมีคนมีทรัพสมบัติมากชาวเสตัพัพญาก่อสามพี่น้องคือจุลการหนึ่งมัชิมการหนึ่งและมหาการหนึ่งในพี่น้องสามคนนั้นพี่ชายใหญ่กับน้องชายน้อยเที่ยวไปในทิตั้งหลายบรรทุกสิ่งของมาด้วยกเกวียนห้าร้อยเล่มนายมัชิมการ ขายสิ่งของที่พี่และน้องทั้งสองนำมาต่อมาสมัยหนึ่งพี่น้องทั้งสองนั้นบรรจุสิ่งของต่างๆด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มไปสู่กรุงสาบถีปลดคือพักเกวียนทั้งหลายในระหว่างกรุงสาบถีและพระเฉตวันต่อกันในพี่น้องสองคนนั้นมหาการ เห็นอริยะสาวกทั้งหลายเา้ากรุงสาวัถีถือระเบียบตอกไม้และของหอมเป็นต้นไปเพื่อฟังธรรมในเวลาเย็นจึงถามเขาว่าพวกท่านทั้งหลายไปไหนเมื่อได้ฟังความนั้นแล้วจึงคิดว่าแม้เราก็จะไปเรียกน้องชายมาแล้วบอกว่าพ่อเจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทในเกวียนทั้งหลาย ฝ่ายตัวฉันจะไปฟังธรรมแล้วมหาการก็ไปถวายบังคมพระศาสดานั่งที่ท้ายบริษัทวันนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสอนุบุพพีกาถาตามอัตยาศัยของมหาการนั้นซึ่งตรัสโทษความเลวทรามและความเศร้าหมองแห่งการทั้งหลายโดยปริยายเป็นนันมากด้วยสามารถแห่งสูตร มีทุกขักขันทสูตรเป็นต้นมหาการได้สดับพระธรรมรเทศนานั้นแล้วคิดว่าในยะว่าคนเราจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายย่อมไม่ติดตามบุคคลผู้ไปบรโลกได้เลยเราจะต้องการอะไรด้วยการครองเรือนเราจะบวชละเมื่อมหาชนสบายบังคมหลีกไปแล้ว มหาการจึงได้ตูลขอบรรพชากับพระศาสดาเมื่อพระศาสดารับสั่งถามว่าผู้ที่ท่านควรลาไรๆไม่มีหรือเขาจึงทูลว่าน้องชายของข้าพระองค์มีพระชาาก้าก็เมื่อพระผู้มีพระภาครัฐว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงลาเขาเสียก่อนแต่ น, นี้แล้วนายมหาการก็ได้ตูลรับ กำดังนั้นแล้วกลับมาบอกเรื่องนั้นกับน้องชายว่าพ่อเจ้าจงปกครองสมบัติทั้งหมดนี้เถิดนายจุลการจึงกล่าวว่าอ้าวก็แล้วพี่แหละครับนายหมาการตอบว่าพี่จะบวชในสำนักของพระศาสดาน้องชายจึงได้อ้อนวอนพี่ชายนั้นด้วยประการต่างๆก็ไม่สามารถให้กลับใจได้จึงกล่าวกับพี่ว่า ดีล่ะพี่ขอพี่จงทําตามอัธยาศัายเถิดนายมหาการจึงได้ไปบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วฝายนาจุลการก็ไปบวช ด, ด้วยตั้งใจว่าจะชวนพี่ชายศึกในการต่อมามหาการได้อุปสมบทแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงตุระในพระศาสนาเมื่อพระศาสดา ตรัต บ, บอกธุระสองอย่างแล้วจึงได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไม่สามารถบาเพ็ญกันตดธุระได้เพราะข้าพระองค์บวชในการเป็นคนแก่แต่จะบาเพ็ญวิปัสนาธุระให้บริบูรณ์จึงทูลให้พระองค์ตรัส บ, บอกโศสานิกะทุดงจนถึงพระอรหัตรันลวงปฐมยาม เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับหมดทุกคนแล้วก็ไปสู่ป่าช้าในเวลาจวนใกล้รุ่งเมื่อชนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้นคือยังไม่ตื่นกันก็กลับมาอย่างวิหารกระนั้นหญิงสัเ ป, ปรเรอคนหนึ่งชื่อกาลีผู้เฝ้าป่าช้าเห็นที่ยืนที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระเข้า จึงคิดว่าใครหนอมาในที่นี้เราจะคอยจับตัวก็เมื่อไม่อาจจับได้วันหนึ่งจึงตามประที่ไปที่กระท่อมใกล้ป่าชา้าพาบุตรธิดาไปแอบอยู่ในที่ส่วนข้างหนึ่งเห็นพระเตระเดินมาในมัชิมยามจึงไปไหว้แล้วพูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้าพำนักอยู่ในที่ของพวกที่ฉันนี้อย่างนั้นหรือม า, ากาันถูกแล้วอุบาสิกาญิงส ะ, ระเระท่านผู้เริญธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลายเรียนระเบียบก่อนแล้วจึงจะควรพระเตระนั้นไม่กล่าวว่าก็ข้าพระเจ้าจะประพฤติในระเบียบที่เจ้าบอกทำไมาเล่าแต่กลับกล่าวว่า ทำอย่างไรจึงจะควรอุบาสิกาหญิงสับเปอรท่านผู้เจริญธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลายควรแจ้งความที่ตนอยู่ในป่าชา้าแก่ผู้เฝ้าป่าชา้าพระมหาเทรานิพพานและผู้ใหญ่บ้านมาหากาันข้อนั้นประเหตุไหล่ละหญิงสั ป, ปเบอรเพราะว่าพวกโจรทากรรมคือปล้นเขามาแล้วถูก พวกเจ้าของทรัพย์จะกดตามรอยเท้าไปจึงทิ้นห่นอพันธะคือสิ่งของไว้ในป่าช้าแล้วหลบหนีไปเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกมนุษย์ก็จะมารุมกันทําอันตรายแก่คนที่อยู่ในป่าช้าแต่เมื่อท่านได้แจ้งความแก่ชนเหล่านั้นแล้วชนเหล่านั้นจะช่วยป้องกันอันตรายได้ด้วยกล่าวรับรองว่า พข้าพเจ้าทราบความที่ท่านผู้เจริญนี้อยู่ในที่นี้เช่งการประมาณเท่านี้ท่านผู้เจริญรูปนี้มิใช่โจรเพราะฉะนั้นควรบอกแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นพระเถระกิจอื่นอะไรที่ข้าพเจ้าควรทํามีอยู่อีกหรือไม่หญิงสัเปอร์ท่านผู้เจริญธรรมดาพระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่ในป่าชาจําต้องเว้นวัตถุทั้งหลายมีปลา เนื้อแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสียไม่ควรจำบัดกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียคร้านควรปราบรบความเพียนควรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้มีอัจยาใสางามในเวลาเย็นเมื่อชนทั้งหลายหลับกันหมดแล้วพึ่งมาจากวิหารในเวลาจวนใกล้รุ่งเมื่อหมู่ชนทุกคน ยังไม่ตื่นลุกขึ้นก็ไปยังวิหารท่านผู้เจริญถ้าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในที่นี้ด้วยอาการอย่างนี้ไซจะอาจยังกิดแห่งบันปชิตให้ถึงที่สุดได้ถ้ามูชนทั้งหลายนำศพมาทิ้งดิฉันจะยกขึ้นสู่เรือนยอดอันดาดด้วยผ้ากำพลทำสักการะด้วยวัตถุทั้งหลายมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นแล้ว จะทำการปรงศพพี่ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะยังไม่อาจเพื่อยังกิดแห่งบันปะชิตให้ถึงที่สุดได้ไซดิฉันจะยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วติดไฟเอาขอเกี่ยวลากศพออกมาวางไว้ภายนอกเอาขวานสับเฉือนให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วใส่ในไฟแสดงแก่ท่านพระผู้เป็นเจ้าแล้วจึงค่อยเผา อินันประเตระสัางนางกาลีนันว่าดีละ่ะดีละ่ะนางผู้เจริญก็อนางเห็นรูปอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วจงบอกแก่ข้าพเจ้านะสับรเรอหญิงชื่อกาลีรับคำดังนั้นแล้วประเตระทำสมรธรรมอยู่ในป่าชาตามอัตยาสายของตนส่วนพระจุลกาลพุทลุกพุทนั่ง รันจวนถึงคารวาสวิสัยคิดถึงบุตรและภรรยาคิดว่าพี่ชายของเรานี้ทำกรรมหนักนักลำดับนั้นกุลธิดาคนหนึ่งได้ทำกาลคือตายในเวลาเย็นยังไม่ทันเหี่ยวแห้งสูบสีเพราะประญาที่คำเริบขึ้นในรู่เดียวเท่านั้นพวกญาติหามศพกุลธิดานั้น ไปสู่ป่าชาในเวลาเย็นพร้อมด้วยเครื่องเผาต่างๆมีฟืนและน้ำมันเป็นต้นให้ข้าช่างแก่หญิงเฝ้าป่าชาโดยสั่งการว่าเธอจงจัดการเผาศพนี้มอบศพให้แล้วก็หลีกไปนางเปลื้องผ้าห่มของกุลธิดานั้นออกแล้วเห็นสรีระซึ่งตายเพียงครู่เดียวเท่านั้นแสนจะประีต มีสีด่างตองจึงคิดว่าอารมณ์นี้ควรจะแสดงแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วไปไหว้พระเถระแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าอารมณ์ชื่อเห็นปานนี้มีอยู่ขอพระคุณเจ้าพึงไปพิจารณาเถิดพระเถระรับคำดังนั้นแล้วก็ไปให้เลิกผ้าห่มออกแล้วพิจารณาตั้งแต่ฝ่าเท้า จนถึงปลายผมแล้วพูดขึ้นว่ารูปนี้ประนียิ่งนักมีสีดุดทองนางพึงใส่รูปนั้นในไฟในการที่รูปนั้นถูกเปลวไฟใหญ่ลวกแล้วพึงบอกแกข้าพระเจ้าและพระเทรานั้นก็ไปยังที่อยู่ของตนนั่นแหลนั่งแล้วนางทําการอย่างนั้นแล้วจึงแจ้งกับพระเทระพระเทระไปพิจรารณา ในที่ถูกเปลวไฟกระทบแล้วกระทบแล้วสีแห่งสรีระได้เป็นดังแม่โคดางเท่าทั้งสองงอหงอิกห้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหน้าผากได้มีหนังปอกลอกแล้วพระเถระพิจารณาว่าสตรีระนี้เป็นธรรมชาติทำให้ไม่วายกระสันแก่บุคคลผู้แลดูอยู่ในเดียวนี้เอง แต่บัดนี้กลับถึงความสิ้นถึงความเสื่อมไปแล้วพระเตระกลับไปที่พักในกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ก้าวคาถานี้ขึ้นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบแห่งสังขารนั้นเป็นสุข ดังนี้ได้เจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายเมื่อตับนบรรลุพระอรหันต์แล้วพระศาสดามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จจาริกไปยังเสตบพญานครแล้วเสด็จเข้าสู่ป่าไม้ประดูล่ลายพวกปริยาของพระจุลกาลได้ยินว่า ว่าพระศาสดาเสด็จมาถึงแล้วจึงคิดันว่าพวกเราจะช่วยกันจับสามีของพวกเราดังนี้แล้วส่งคนไปให้ทุลนิมนต์นพระศาสดาก็ในสถานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่สมคุ้นเคยควรที่ภิกษุรูปหนึ่งผู้บอกการปูอาสนะจะล่วงหน้าไปก่อนก็อาสนะสําหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงให้ปูในที่ท่ามกลางอาสนะสำหรับพระสารีบุตรเทระพึงให้ปูข้างขวาอาสนะสำหรับพระมหาโมคคลานะเทระพึงให้ปู่ข้างซ้ายแห่งอาสนะของพระพุทธเจ้านั้นอาสนะสำหรับภิกษุสงฆ์พึงให้ปูในข้างทั้งสองแต่าจากที่นั้นไปเพราะฉะนั้น พระมาการเตระอยู่ในที่หมจีวรทรงพระจุลการไปด้วยัำว่าเธอจงล่วงหน้าไปบอกการปูอาสนะก็พวกชนในเรือนทำการหยอกเย้ากับท่านจำเดิมแต่การที่พวกเขาเห็นท่านแกล้งปูอาสนะต่าในที่สุดพระสังฆาเตระปูอาสนะสูงในที่สุด พระสังฆนวะกะ์พระจุลการนอกนี้ชี้แจงว่าพวกเธอจงอยาทําอย่างนั้นจงปูอาสนะสูงในที่สูงปูอาสนะต่ำในที่ต่าพวกผู้หญิงทำทีเหมือนไม่ได้ยินถ้อยคำของท่านกล่าวว่าท่านเที่ยวธรรมราอยู่หน้าที่ปูอาสนะไม่สมควรแก่ท่านหรือท่านลาไกลบวช ใครอนุญาตให้ท่านบวชมาในที่นี้ทำไมแล้วจึงช่วยกันจับชิงสบงและจีวร อ, ออกแล้วให้นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อมาลาบนศีรษะแล้วทรงไปด้วยคำว่าท่านจงไปนำพระศาสดามาพวกข้าพเจ้าจะปูอาสนะจุลการดำรงอยู่ในภาวะแห่งพิ้งสุสิ้นการไม่นาน อย่างไม่ทันได้ปันสาก็สึกจึงไม่รู้สึกอายเพราะฉะนั้นเขาจึงหมดความรังเกียดด้วยกิริยาอาการนั้นไปถวายบังคมระศาสดาแล้วผ่ภาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้มาก็ในการเสร็จพัฒกิจของภิกษุสงฆ์พวกปริยาของพระมหาการคิดกันว่า หญิงภรรยาของจุลการรุมจับสามีของตนได้พวกเราก็จะจับสามีของพวกเราเหมือนกันจึงได้นิมนต์พระศาสดาเพื่อประโยชน์แก่การเสวยพระตหารในวันรุ่งขึ้นก็ในการนั้นภิกษุรูปอื่นได้ไปชี้แชงให้ปูอาสนะหญิงเหล่านั้นไม่ได้โอกาสในขณะนั้นนิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าปเป็นประมุขให้นั่งแล้วถวายภิกษาก็นายจุลการมีภรรยาสองคนนายมัชชิมการมีสี่คนนายมหาการมีภรรยาแปดคนฝ่ายภิกษุทั้งหลายผู้ใครท่ทำพัตกิจให้นั่งทำพัตกิจแล้วพวกที่ใครไปไปายนอกก็ได้ลุกไปแล้วส่วนพระาศาสดา ประทับนั่งทรงทำพัฒกิจในการเสร็จพัฒกิจของพระองค์หญิงเหล่านั้นถูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอท่านพระมหาการทำอนุโมทนาแก่พวกข้าพระองค์แล้วจึงจะไปขอพระองค์เสด็จไปก่อนเถิดพระศาสดาตรัสว่าดีละได้เสด็จล่วงหน้าไปแล้วครั่นถึงประตูบ้าน ภิกสุสง์ก็ยกโทษว่าทำไมพระศาสดาจึงทรงทำเช่นนี้พระองค์ทราบแล้วจึงทรงทำหรือไม่ทรงทราบแล้วทำหน่อแลเมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาเกิดขึ้นแล้วแก่จุลกาลเพราะการล่วงหน้าไปก่อนวันนี้อันตรายไม่ได้มีเพราะภิกษุอื่นล่วงหน้าไปก่อนแต่ในบัด น, นี้พระศาสดารับสั่งให้ พระมหากาลยับยั้งอยู่แล้วเสด็จมาก็ภิกษุผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยอาจารย์หญิงเหล่านั้นจะทําอันตรายแห่งบรรพชาแก่พระมหากาลนั้นได้หรือน้อแลพระศาสดาทรงสดับคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงสเสด็จกลับมาประทับยืนอยู่แล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไรกันเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวตูนคำดังนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสําคัญมห า, หาการเหมือนจุลกาอย่างนั้นหรือราอนั้นเป็นอย่างนั้นพระชุกาเพราะจุลกาญนั้นมีภริยาสองคนส่วนมหาการนี้มีถึง8คนเธอถูกภรรยาทั้ง8คนรุมจับไว้ แล้วจะทำอะไรได้พระชุ้าขาพระศาสดาจึงตรัสว่าิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นจุลการพุทลุกพุทนั่งมากไปด้วยอารมณ์ว่างามอยู่เป็นเช่นกับต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงซ้ำตั้งอยู่ริมเหวส่วนมาหาการบุตรของเราตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเลย เหมือนผู้เขาหินแท่งทึบและได้ตรัสภาษิตรพระคาถานี้ว่าผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามอยู่ไม่สำรวมมินสีทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะเกียรติกรันมีความเปลี่ยนเรวสามนั้นแหละมานย่อมรังควานได้เปรียบเหมือนต้นไม้มีกำลังไม่แข็งแรงลมรังควานได้ฉะนั้น ส่วนผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่สมรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะมีศรัทธาและปรารบความเพียรนั่นแหลมันย่อมรังควาญไม่ได้เปรียบเหมือนภูเขาหินลมรังควานไม่ได้ฉะนั้นบาลีว่าสุภานุปัสสิงวิหรันตังอินทรเยสุ สังวุตังโภชะนัมหิอมัตตัญญุงกุสีตังหีนะวีริยังตังเวปะสะอะติมาโรวาโตรุขังวะทุพลังอนุภาณุปัสิงวิหรันตังอินทริเยสุสุสังวุตังโภชะนัมหิจะมัตตัญญุง สัทธังอารัตถวิริยังตังเวณปะสะหิตมาโรโววาโตเสลังวะปะพะตังก็ในคำเหล่านั้นคำว่าสุภานุปัสิงแปลว่าผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามได้แก่ผู้ตามพิจารณาเห็นอารมณ์ว่างามอธิบายความว่า ผู้ปล่ยใจไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาอยู่ก็บุคคลใดเมื่อถือโดยนิมิตคือการรวบถือทั้งหมดและถือโดยอนุพยัญชนะคือการแยกเป็นส่วนๆย่อมถือว่าเล็บทั้งหลายงามหรือว่านิ้วทั้งหลายงามถือว่านิ้วทั้งหลายงามถือว่ามือทั้งสองหท้าทั้งสองแข้งทั้งสอง ขาทั้งสองสเอวท้องหันทั้งสองคอริมฝีปากฟันทั้งหลายปากจมูกตาทั้งสองหูทั้งสองคิ้วทั้งสองหน้าผากผมทั้งหลายงามถือว่าผมขนเล็บฟันหนังงามหรือว่าถือว่าสีผิวพรรณ ชวดทรงามบุคคลนี้ชื่อว่าตามเห็นอารมณ์ว่างามผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามอย่างนั้นอยู่นั้นคําว่าอินทริเยสุแปลว่าในอินทรีย์ทั้งหลายหมายความว่าอินทรีย์ทั้งหมีจกักษุเป็นต้นคําว่าอะสังบุตังแปลว่าไม่สํารวมได้แก่ผู้ไม่รักษาถาวรทั้งหลาย มีจากสุดทวารเป็นต้นคําว่าอธรรมยูงแปลว่าไม่รู้ประมาณหมายความว่าชื่อว่าผู้ไม่รู้จักประมาณในโพชนะเพราะไม่รู้ประมาณนี้คือประมาณในการสแสวงหาประมาณในการรับประมาณในการบริโภคอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าผู้ไม่รู้จักประมาณ พราะไม่รู้ประมาณแม้นี้คือประมาณในการพิจารณาประมาณในการสละคือไม่ทราบแม้ว่าโภชนานี้ประกอบด้วยธรรมนี้ไม่ประกอบด้วยธรรมคําว่ากุสีตังแปลว่าเกียรติกรนันได้แก่ชื่อว่าผู้เกียรกรนันเพราะเป็นผู้ตกไปในอํานาจการมาวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก คำว่าหีนวีริยงังแปลว่ามีความเพียนเหลวซามได้แก่ผู้ไม่มีความเพียนคือผู้เว้นจากการทำความเพียนในอริยบททั้งสี่คำว่าปสสหะติแปลว่ารังควานได้แก่ย่อมครอบงาคือย่อมยีก็ที่ว่าวาโตรุกขังวะทุกพลังแปลว่า เปรีย บ, บเหมือนต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงลมรังควานได้ฉะนั้นหมายความว่าเมื่อลมมีกำลังแรงรังควานต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงซึ่งเกิดริมเขาให้ขาดได้เหมือนอย่างว่าลมนั้นทําส่วนต่างๆมีดอกผลใบอ่อนเป็นต้นของต้นไม้นั้นให้ร่วงหลงบ้างหากกิ่งเล็กบ้าง หากกิ่งใหญ่บ้างพัดถอนต้นไม้นั้นร้อมทั้งรากทำให้รากขึ้นเบื้องบนกิ่งลงเบื้องล่างน้ฉันใดมันคือกิเลสอันเกิดในภายในย่อมรังควานบุคคลผู้เห็นป่านนั้นได้จะนั้นเหมือนกันคือกิเลสมารทำให้ต้องอาบัตเล็กเล็กน้อยน้อยเหมือนลมมีกำลังแรงพัดสวนต่างๆมีดอก ผลใบอ่อนเป็นต้นของต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงให้ร่วงหลงบ้างทำให้ต้องอาบัดมีนิสักขียะเป็นต้นเหมือนลมมีกำลังแรงทำการหักกิ่งไม้เล็กๆบ้างทำให้ต้องอาบัดสังกาที่เศษสิบเหมือนลมมีกำลังแรงทำการหักกิ่งไม้ใหญ่ๆบ้างทำให้ต้องอาบัดปาราชิก นำออกจากศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วให้ถึงความเป็นเครือัดโดยสองถึงสามมันเท่านั้นเหมือนลมมีกำลังแรงถอนต้นไม้ทำให้โค่นลงมีรากขึ้นเบื้องบนมีกิ่งลงเบื้องล่างอธิบายว่ากิเลสมานย่อมทำบุคคลเห็นป่านนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตน คำว่าอสุภานุปัสสิงแปลว่าผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามได้แก่ผู้เห็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในอารมณ์ที่ไม่งามสิบอย่างว่าไม่งามคือประกอบในมนสิการโดยความเป็นของปฏิกูลได้แก่เห็นผมทั้งหลายโดยความไม่งามเห็นขนเล็บ ฟันหนังสีผิวสวดทรงโดยความไม่งามคาว่าอินท yes รียสุแปลว่าในอินทรีย์ทั้งหลายได้แก่อินทรีย์ทั้งหลายหกคาว่าสุสังบูตังแปลว่าสมรวมดีได้แก่ผู้เว้นจากการถือมีถือโดยนิมิตเป็นต้นคือผู้มีทบานอันปิดแล้วคําว่า โพชะนัมหิจะมัตตัญยุงแปลว่าผู้รู้ประมาณในโภชนะเพราะตรงข้ามกับความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณคำว่าสัทธังแปลว่ามีศรัทธาได้แก่ผู้ประกอบด้วยโลกิยะศรัทธามีอันเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นลักษณะและประกอบด้วยโลกุตระศรัทธา คือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในวัตถุสาคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คำว่าอารัตวีริยงแปลว่าการปราลบความเพียรได้แก่ผู้ประคองความเพียรคือผู้มีความเพียรเต็มที่คือบริบูรณ์คำว่าตังเวแปลว่านั้นแหล ได้แก่บุคคล น, นั้นคือเห็นป่านนั้นอธิบายว่าลมมีกําลังอ่อนพัดเบาๆย่อมไม่อาจให้ศิลาแท่งตึบวันไหวได้นี้ฉันใดกิเลสแมนที่มีกําลังซามคืออ่อนแม้เกิดขึ้นในภายในย่อมรังควานบุคคล น, นั้นไม่ได้คือไม่อาจให้วันไหวสะเทือนกลอนแคลนได้ฉะนั้น พวกหญิงแม่เหล่านั้นแลที่เป็นปรยาเก่าของพระมหาการนั้นล้อมพระเทระแล้วกล่าวคำเป็นต้นว่าท่านลาใครบวชบัด น, นี้ท่านจะเป็นเคราะหหรือจะไม่เป็นเล่าแล้วต้องการจะเปลื้องผ้ากาสายะทั้งหลายของพระเถระออกพระเทระกำหนดอาการของหญิงเหล่านั้นได้แล้ว ลุกจากอาสนะที่นั่งแล้วเหาะขึ้นด้วยริตํำลายช่อฟ้าเรือนยอดไปทางอากาศเมื่อพระศาสดาตรัสพระคถ า, าจบลงพอดีก็ชมเชยพระสรีรักซึ่งมีวระนณะดั่งทองของพระศาสดาลงมาถวายามังคุพระยุคกคลบาตของพระตถาคตแล้วในการจบคาถาภิกษุผู้ประชุมกัน น้ำรงอยู่ในอระยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นนั่นแหละเรื่องจุลกาลและมหมากาล